แต่รับสั่งให้พระสารีบุตรพี่ชายของเรากลับเข้าไปเฝ้าคงจะทรงประสงค์ให้บรรลือศีหานาถคือกล่าววาจาอันอาหารพประทับใจทํากลางพุทธบริษัทเราควรให้พุทธบริษัทป ร, ระชุมกันดังนี้แล้วที่ประกาศให้พิสุทธทั้งหลายในเชตวนารามประชุมกันเพื่อฟังการบรรลือศีหานาถของพระธรรมเสนาบดีณเบื้องพระพักแห่งพระสาสดา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 มิได้ระอิดระอาต่อสิ่งนั้นคงรับไว้ด้วยอาการอย่างเดียวกันทั้งกองอยากเยื่อและกองดอกไม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเช่นเดียวกับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่เลือกที่รับพลักที่ชังมีใจเสมอในบุคคลทั้งปวงไม่มีเวรไม่มีความคิดเบียดเบียนข้าแต่พระโจรมนุนีน้ำย่อมรับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง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 เดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไรชั้นใดข้าพระองค์ก็จำนั้นมีใจอ่อนน้อมทมตนไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนใครพระองค์ผู้เจริญพระธรรมเสนาบดีทูลต่อไปอันหนึ่งบุรุษหรือสตรีรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบระดับประดา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 ซึ่งมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เนืองนิดข้าพระองค์ย่อมระอิยดระอาต่อกายนี้อันหนึ่งบรุษผู้ประคองถาดน้ำมันที่เต็มและมีคนอื่นถือดาบเั็นคมกริบอยู่ข้างหลังพลางบังคับให้ถือถาดน้ำมันโดยดีถ้าหกเพียงหยดเดียวจะประหารชีวิตเสียบรุษนั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถาดน้ามันนั้นอย่างไร ข้าพระองค์ก็ประคับประคองกายของตนฉันนั้นพระองค์ผู้เจริญสติอันเป็นไปในกายอันภิกษุใดมิได้เข้าไปตั้งไว้ด้วยดีแล้วภิกษุนั้นพึงกระทบเพื่อนพรหมจันทร์แล้วหลีกไปโดยมิได้ขอโทษเป็นแน่แท้ เมื่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวคุณของตนอยู่อย่างนี้มหาปฐวีได้แสดงอาการวันไหวแล้วขณะที่พระเถระปรีบตนด้วยผ้าเช็ทุลีเด็กจันทานโคเขาขาดและถาดน้ำมันนั้นภิกษุผู้เป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ฝ่ายพระอรหันต์ขีนาศปรงธรรมสังเวชขณะนั้นเองความเร่าร้อนในสเตรระได้เกิดขึ้นแกภิกษุผู้กล่าวตู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 ใจของท่านพองใสยอยู่อย่างนั้นอารมณ์อะไรๆทําให้คุณมัวไม่ได้ไม่ดีใจไม่เสียใจเพราะได้และไม่ได้ปัจจัยหรือสการะสัมมานะพระดาบุคคลยินดีมากเมื่อได้เขาจะต้องยินร้ายมากกว่านั้นเมื่อเสียและความสูญเสียจะต้องมีอย่างแน่นอนเตรียมใจไว้รับเถิดเร็วหรือช้าเท่านั้นพระดา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 อัตภาพอันเปรียบเสมือนซากงูหรือซากสุนัไม่มีความกำหนัดไม่มีความพอใจอัตภาพอันเป็นเสมือนถาดน้ำมันที่มีรูทะลุพระดา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 และความกลัวเกิดแต่อัตภาพนี้ความตรึกในใจก็เกิดแต่อัตภาพนี้แล้วดักจิตไว้อันว่าย่านไส้เกิดจากต้นไส้แล้วแผ่ปกคลุมไปในปา่าฉันใดความคิดชั่วต่างๆเกิดขึ้นในใจเพราะมีตัณหาเป็นแดนเกิดแล้วแผ่สร้างไปในวัตถุกรรมทั้งหลายอัตภาพนี้เกิดจากตัณหาผู้ชรารู้ว่าอัตภาพนี้ เกิดจากสิ่งใดแล้วบรรเทาสิ่งนั้นเสียจงฟังเถิดบุคคลเช่นนั้นแหละย่อมสามารถข้ามห่วงกิเลส ท, ที่ข้ามได้ยากนี้เสียเป็นผู้ไม่มีพบอีกต่อไปพระดาเอยสมัยเมื่อมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคตและวัสการพรามเตรียมการสร้างเมืองใหม่ในเขตปาตลิคามให้ทูลอารัธนาพระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์สาวกบริวาร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 จะตั้งชื่อท่านั้นว่าท่าโคดมพระมหาสมณโคดมบรมศาสดาสเสด็จยังแม่น้ำคงคาอันมีน้ำเปี่ยมฟังพอกาดื่มได้ขณะนั้นบุคคลผู้ต้องการข้ามฟังบางพวกสแสวงหาเรือบางพวกผู ก, ผกแพแต่พระศาสดาพร้อมด้วยพระสาวกทรงหายจากฝั่งนี้ไปปรากฏณฝั่งโน้นด้วยอำนาจฤิ เร็วเหมือนบรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นทรงเห็นพวกมนุษย์วุ่นวายอยู่ด้วยการหาเรือหาแพจึงทรงเปล่งอุทาหรณ์ด้วยความเบิกบานพระไยว่าผู้ใดข้ามห่วงน้ำใหญ่คือสังสาระและสะคือตันหาด้วยสะพานคืออริยมรคได้แล้วไม่เปื้อนเปลือกตมคือกามเมื่อคนทั้งหลายจะข้ามน้ำแม้น้อยๆ ย, ยังต้องอาศัยเรือแพ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 จึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลายรับได้ยาก